การทำให้เป็นไปการทําให้เป็นไปเบเสร็จถ้าไม่เข้าใจท่านก็ชักอุปมามาเพราะในด้านของเวทนาท่านก็ดึงอุปมายี่ไหมดึงอุปมาว่าเออเว э ทนาเหมือนอะไรทุกเวทนาเหมือนลูกศร ป, ป, ปักเข้าไปนี่ไะหนี่อุปมามาแล้วปักเข้าไปเจ็บมากในขณะปักเข้าไปตั้งอยู่ก็เจ็บถอดออกก็เจ็บเหมือนลูกศรปักที่ซวงอกนี่ทุกเวทนาเห็นไหมถ้าหากว่าสุขเวทนา สุขเวทนาท่านไม่ได้อุปมาเหมือนกับลูกศรหลือเห็นไหมตัวสุขเวทนาเนี่ยเป็นวิปรินามะทุกนะวิปรินามทุกเนี่ยก็คือว่าเป็นสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกข์พระเปลี่ยนเนี่ท่านก็ให้มองเห็นอย่างนี้นเป็นความทุกข์นั่นเองแท้ที่จริงตัวสุขเวทนาเนี่ยสัตว์นั้นปรารถนาก็จริงแต่เมื่อเป็นทุกข์มากสําหรับสุขนั้นเปลี่ยนไปสถานะ เราดูอย่างสถานะแต่ก่อนเราได้รับสถานะการยกย่องสถานะนั้นหายไปโอ้โหความสุขตรงนั้นหายไปเหลือความทุกข์แทนที่เหมือนสมัยก่อนอาตมาได้รับสถานะของการเป็นบุรุษที่ไม่เจ็บป่วดเป็นบุรุษที่เข้าใจพระธรรมอย่างดีแตกฉานปราดเปรื่องในความเข้าใจของคนทั่วไปและของอาตมาเองโอ้ยตอนนั้นมีความสุขแต่พอหลังจากไปร่วมป่วยมาแล้วก็ ความรู้สึกตรงนั้นก็สลายหายสนินี่เขาเรียกว่าสถานะมันเปลี่ยนคุณต้องเข้าใจอะต้องเข้าใจอ้ น, นี่จังถ้าไม่เข้าใจตรงนั้นแปลว่าคุณจะอยู่ด้วยความทุกข์แต่ก่อนเราแข็งแรงทําอะไรหรอโหย ป, ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้แต่ปัจจุบันไม่ใช่บุรุษคนนั้นมาลายหายสิ้นไปดั้งนานแล้วเหลือแต่ความทรงจำเอามาเล่าหลอกคนอื่นเล่นได้เนี่ยเ็ลืม นั้นก็จะเป็นไปลักษณะนี้ก็จะทําให้เห็นว่าโอ้โหนี่นะว่าเป็นอย่างนี้ผุ้ดชนเสื่อมปกติภริยะท่านยังเสื่อมเลยใช่ไหมท่านยังเสื่อมในความความความเป็นธรรมดาของความทรงจําเว้นผู้เรียกผู้เจ้าฉั น, นท่าไม่เสื่อมความเพียรไม่เสื่อมการแสดงธรรมไม่เสื่อมสติไม่เสื่อมใช่ไหมปัญญาไม่เสื่อมวิปัสสนาญาณคงที่นี่นะอันนั้นคือ เวนี่ก็ทําทําที่เฉพาะพุทธเจ้าคือการเป็นพุทธเจ้าจะมีความบริบูรณ์อย่างนี้ถ้าพุทธเจ้าใกล้จะบริบาลแล้วโอ้โหฟัตถะเขาจำอะไรไม่ได้แล้วลอคิดดนะูหมายความงามของพระเจ้าไม่มีเลยนั้นพระเจ้าไม่ใช่แต่สาวกเป็นเรื่องปกตินี่ก็เราจะได้เห็นคุณของว่าสัมมาสัมพุทโธอย่างนี้ น, ะนี่นี่ก็จะชัดเจด น, นถ้าหากว่าเข้าใจในลักษณะนี้เราจะเริ่มเข้าใจคําว่าเวทนานั้นโดยความเป็นปัจจัยเนี่ย คือก็เรียกว่ามองเห็นปัจจัยของเวทนาทั้งในส่วนของสาชาตัปัจจัยใช่ไหมสาชาตันิสยาสาชาตัดทีสาชาต่าาาตาาตวิกตาอัญญาบรญยะสัมประยุตตะคือนามธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับเขาของเวทนานะั่นถ้าในระหว่างชาวนะต่อชาวนาอะไรต่งตางๆเป็นต้นนะถ้าระหว่างปัญจทวารลวชนะเออขอไปคือระหว่างโวทธรรมะระหว่างมโนท ว, วารลวชนะกับกับชาวนะ ยิ่งเห็นชัดเพรามโวตภาวนะหรือมโนทวารภาชนะนี่ก็เป็นอุเบกขาเวทนาตัวชาวนะนั้นเป็นอุเบกขาเวทนาก็ได้เป็นโทมนานัสเวทนาก็ได้เป็นโสมนานัสเวทนาก็ได้เราจะเห็นชัดวอ๋อนี่ไงอุเบกขาเวทนาเป็นปัจัยแก่อุเบกขาเวทนาก็ได้เป็นอนันตระสนันตรสมัญตระตยะอนันตรูปนิสัยานาทีวิกตาเกิด<อ>ขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นให้กับอุเบกขานี่ยเป็นปัจัยแก่โสมนานัสก็ได้ อุเบกขาเป็นปัจจัยแก่โทมานัสก็ได้อุเบกขาเป็นปัจจัยแก่โสมนัทก็ได้อุเบกขาเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาก็ได้เราจะเห็นความเชื่อมโยงของการเป็นปัจจัยกันของเวทนาบอกโอ้เ ว, ว, ว, วทนาเป็นปัจจัยแก่เ ว, วทนาเป็นอย่างนี้เองเริ่มเห็นไหมนี่คือปัจจัยการเข้าใจปัจจัยอย่างนี้นี่แหละใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เข้าใจความ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 เป็นส ม, มนัติก็ได้นะทีนี้ในทั้งอุเบกขาวเวทนาและส ม, มนัสเวทนาก็เป็นปัจจัยกับเวทนาสามในโชวนะเราก็จะเห็นคําว่านี้คืออุปนิสัยปัจจัยของเวทนาก็เริ่มมองเห็นนะที่พอเห็นเวทนาในรักหนี้โดยเชื่อมโยงในการเห็นปัจจัยของเขาโดยความเป็นปัจจัยว่าเวทนาไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแล้วเวทนาไม่เที่ยงเพราะปัจจัยเหล่านี้ไม่เที่ยงยิงแม้เชื่อมโยงในปัจจุบันก็เห็นชัดแม้ในอดีต ใช่ไหมกรรมที่ทํามาเนี่ยตัณหาบวกกรรมบวกอวิชชาทั้งหลายในอดีตเนาะเขาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาในปัจจุบันนพบอวิชชาเป็นอดีตอดีดาทาเวทนาเป็นปัจจุบันนอาทาโอ้เห็นชัดเลยปฏิจจสมบัติเห็นแล้วนักปฏิบัติต้องเห็นปฏิจจ์อย่างนี้ใช่ไหมต้องเชื่อมโยงปฏิจจ์ได้ถ้าพูดถึงเวทนาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เวทนาภาษะอาญตนะใช่ไหม นามรูปวิญ ญ, ญาณสังขารอาวิชา อ, าอาวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสรารนืภาษ า, ภาอเวทนาจะอเวทนาตันหาประธานเพราะว่ชาติชรามรณะสวกสปริเดวทุกขโทมนาสสะและอุบายาตท่านให้ไล่ขึ้นทั้งอนุโลมและปฏิโลมให้ชัดการเจริญวิปัสนาในทางพระศาสน า, ภ า, ภาท่านเดินแบบนี้หลังจากเข้าใจด้วยความเป็นนามรูปเบ็ดเสร็จแล้วไม่ได้สั่นบุคคลนะด้วยความเข้าใจแล้วท่านเชื่อมโยงได้หมดนี่ตามหลักการต้องเป็นไปลักษณะนี้นี่ก็เริ่มเห็นชัดขึ้นเข้าใจไหม ทุกขันมองได้หมดแต่ว่าพอดีมาเชื่อมตรงนี้จะให้จุดต่างจากจักรคุปสัตถ์ถ้างั้นเดี๋ยวไปไล่กันก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะเนี้ยก็ต้องพยายามไล่เห็นจุดต่างจุดต่างแต่พอไล่จุดต่างไม่ใช่บอกวิเวทนาไปไล่ด้ยความเป็นเหมือนจักรคุปสัสถ์ไม่ได้ไม่ใช่ได้เหมือนกันแต่นี่มาไล่อีกมุมหนึง่งไล่เห็นทางปฏิจจาไล่จากห็นตําเห็นปฏิจจานี่นะนี่แปลว่าถ้าเจริญวิปัสสนาที่เป็นปัจจยบริขารยาณก็ดีเป็นกลางขาววิเทนาวิสุทธิท่านเห็นแบบนี้ถึงจะสิ้นนนคคววาามมมสสสสงงัััยย้ไ่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 ดูเหมือนเข้าใจไปแล้วต่อไปพอเข้าไปปฏิบตัติก็ไปทิ้งพระพุทธเจ้าทุกทีเอาพระพุทธเจ้าไว้ที่บา้านแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าครึ่งเดียวเอาว่าทำพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันอยู่ครึ่งเดียวนิดเดียวอยู่เนี้ยนะอันนั้นก็คือเป็นปัญหาว่าต้องย้อนถามปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์ของวิปัสสน า, าหม เมื่อปฏิจจสมบัติเป็นอารมณ์ของวิปัสนาปฏิสบัทนั้นเป็นไปในสามการทำไมคุณจึงเจริญวิปัสนาอยู่การเดียวใช่ไหมฮะแล้วคุณเรียนปฏิจจา ย, ยังไงใช่ไหมเอาสังเขปสีมาจากกาาับก็ชัดเอวิชาสังขารตัณหาอุปาทานกรมมรมภาวะใช่ไหมเป็นอัตติเหตุวิญญาณนามรูปสายเยตน่ภาษาเวทนา เป็นปัจจุบันผลตัณหาอุบาทาน